إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون พี่น้องพรอมศรัทธาพรอมละหมาดจุมอะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เกียรติทุก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 ขอขอบพระคุณเชิญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงทําให้การทํา และสิ่งสําคัญที่สุดก็ยารบะลอาลามีนพี่น้องครับเดือนรอมฎอนและอิดุลความความ ของอิสลามของศาสนาครับอย่างเดือนรอมฎอน ดังเฉพาะของพวกเราทุกคนที่ซึ่งเป็นวันที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กําหนด สิ่งที่เราทุกคนประชาชนมุสลิม ทุกคนทั้งหมดในโลกนี้รับรู้ว่าเราเป็นมุสลิมที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการแสดงเอกลักษณ์เช่นนี้เป็นเป้า ทุกคนให้ออกไปให้หมดเลยทั้งคนที่ละหมาดไม่ได้อย่างสตรีที่มาประจำเดือนเด็กๆก็ ถือว่าเป็นภาระหน้าไม่ใช่ว่าเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่ นอกจากรอมฎอนนอกจากอิดุลฟิตรีเรายังมีเอกลักษณ์อะไรอีกของเราอัลเลาะห์อักบาร์วะลิลลาฮิลฮัมด มีหลายอย่างมากนะครับลองที่จับมาสักชิ้นนึงที่มันเหมาะสมกับเราที่เราจะใช้แสดงว่าเนี่ยฉันเป็นมุสลิมเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าวะมันอห์ซานุกอลันมิมมันดาอออิลาลลอฮิวะอามิลุฏอลิหันวะกาลอินนีมินัลมุสลิมีนในซูเราะห์ อัศ-ศิลาต อัลเลาะห์ ปฏิบัติอามัลที่ดีพอละพร้อมกันนั้นเขากล้าที่จะบอกว่าอินนีมินัลมุสลิมีนอินนีนีมินัลมุสลิมีนฉันเป็นมุสลิมต้องกล้าที่จะ Nila, kbar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam ya lu, ولا يعلى عليه. Pesanan Islam itu adalah pesanan yang Allah Taala kambulkan yang sangat tinggi. Ia tidak akan ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Islam. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang telah mengutus Rasul-Nya dengan Kitab dan Diri li yudhhirahu ala ad-din kullihi walau Allah Ta'ala bin qutri pradhan Rasul sallallahu alaihi wasallam arsala ala Rasul al-din ad-din al-haq al-huda wa din al-haq pradhan sasana thi thuk tong pradhan thi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khui hai sasana khong phra ong nan jot sing thuk yang kham son uen thang mot nai พี่น้องครับเราเป็นมุสลิมเราจะต้องทําหน้าที่ในการเชิดชูศาสนาของอัลเลาะห์ และการแสดงตนเป็นมุสลิมที่ Allah ถูกต้องตามบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะ ก็คือการมีคุณลักษณะนิสัยที่ แบ่งเพื่อ 3 ส่วนความจริงแล้วชะรีอะห์อิสลามมันก็คืออย่าง ส่วน 3 ก็คือเนื้อหาของอิสลามใน 3 ส่วน Nabi s.a.w. Kami hadith. Rewajanah orang tan borteng. Si tan borteng bahawa. Inna ma bu'istu. Li utamima makarimal akhlaq. Bang-bang-bang rayangan bahawa. Li utamima salihal akhlaq. Atau kama qal alaihi s.a.w. Kauan wa. Ta jing leo. Chang ni. Tuk tang tang ma puarai. ถูกแต่งตั้งมาเป็นรอซูลเนี่ยเพื่อให้มาเกิดความสมบูรณ์แก่มารยาทที่ดีซุบฮานัลลอฮแสดง คุมายท่านไม่ได้มาเพื่อจะให้มาความสมบูรณ์มาอธิบายอะกีดะห์อย่างเดียวมาชี้แต่สร้างความสมบูรณ์ในเรื่องอัคลากด้วยคําถามก็คือว่าอัคลากอยู่ที่ไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นถูกเหมือนเพื่อมาสอน Allahu Akbar, walillah, ilham. Menci'in, wah, akhlaq, menci'in, rilak, rilak, rilak, rilak. Saya benar-rilak, imi, kawam, sam, kanyang, ying. Nabi, banyakan Allah, subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Nabi, hadith, nabi, sallallahu alaihi wa sallam, daiklah, wah, wa inna min akhmalil mu'minina imanan, ahsanukum khuluqah. Wa alfafuhum bi ahlih. Rawahul tirmidhi, aw, kama, kala, alaihi wa sallam. Wah, wah, แทจิงแล้วในจํานวนมุมินผู้ศรัทธาที่มีสูงก็คืออะห์ซะนุมคุลุกาคนที่มี คนที่มีความอ่อนอ่อนโยนกับครอบครัวของตัวเองซุบฮานัลลอฮ์ <ๆ S 3> Yang may promise on bull di Soalnya, Tenghai kuam tam kancat Denggatlah Duhai Nakrap Atau imha disney Kuntan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tanbah hua Ittaqillaha haythuma kunt Wa atbi'i ssayyiyatal hasanatatam huha Wa khaliqin nasa bi khulukin hasan Atau kama aqal alaihi sallallahu alaihi sallam Jung yamkreen sallallahu อิตักอัลเลาะห์ที่ที่มาคุณถ้าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามจําเป็นจะต้องยำเกรงต่อ ไส้ที่มาคุณตาอยู่บนครั้งมันก็บาป ที่เราพลันพละไปทําเนี่ยท่านนบีบอกว่าจงอัลมะซูมีนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะ ทำผิดไม่ได้ผิดไม่ได้เพราะทําแล้วมันจะเสียรูปเพราะฉะนั้นเราก็เลยกําหนดเลเวลเลยว่าท่านรอซูลเนี่ยเป็นเป็นผู้ สุดท้ายท่านนบีบอกว่าวะคอลิกินนาบิคุลุกินฮะซะนะอัลลอฮุอะคบจงคลุกคลีกับคนอื่นจงใช้ชีวิตกับ แล้วปิดท้ายด้วยคําสั่งให้เราเนี่ยมีมารยาทที่ดีมันต่อให้เห็นว่าคําว่าตักวากับคําว่ามารยาทที่ดีเนี่ยต้องในคําสอน เราจึงจึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยแสดงเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วยการมีมารยาทที่ดีต่อหน้าคนๆกับเราผ่านมารยาท ในการที่เราแสดงเอกลักษณ์ความๆคนๆกลุ่ม Jing, call, teriak, ron, pihon, semua. Setelah kita melalui Ramadhan dan Idul Fitri, yang merupakan keistimewaan penting dalam Islam, masih ada banyak hal yang kita dapat untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui bacaan Al-Quran ini. Barakah Allah lewatkan Al-Quran yang agung. Dan beri aku apa yang ada di dalam ayat-ayat dan kalamul Hakim. Dan terimalah dari aku dan dari mereka. Inilah nama Yang Maha Esa. Sumpah Allah فَاسْتَوْفِرُوكُ فَيَا قَوْزَ الْمُسْتَوْفِرِينَ وَيَا نَجَاءُ سَائِدِينَ الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبيك ورسولك محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأحسان إلى يوم القيامة اما بعد اتقوا الله ايها المسلمون واعلموا ان الله مع المتقين พี่น้องครับครั้งหนึ่งมีคนถามท่านหญิงไอชารอติอัลลอฮุ sallallahu alaihi ไคฟะกานะคุลุกุรอซูลลาฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมีคนถามท่านไอชาว่าท่านนบีนี่มีมะรยะยังไงท่านนบีนี่คุณลักษณะ كان خلقه القران اما تقرا قول الله عز وجل وانك لعلى خلق عظيم الله اكبر مرئيه عن كان نبي ท่านไอชาบอกว่ามารยาหรือว่าคนลักษนะท่านนบีก็คืออัลกุรอานเวลาที่เราเห็นท่านนบีเนี่ยสมมุตินะครับสมมุติกับว่าเรา เวลาที่ท่านยิ้มเวลาที่มาย้อนมาสะท้อนตัวเอง มารยาทของเราคืออะไรคือโบรชัวร์ที่เค้าแจกนะถ้าเป็นพนักงานก็จะตอบว่าเอ่อ การที่มีชีวิตอยู่ โดยบริยายเมื่อไหร่ที่เราเอาอิสลามเอาอัลกุรอานมาใช้กับชีวิตเนี่ย Ok เราะห์มะตมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่นำมาถามว่าใครจะเป็นคนนำเราะห์มะตมาให้กับโลกตอนนี้ท่านนบีก็ไม่อยู่แล้วศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเป็นผู้สืบสาน اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشرفين ودمر أعداء الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اهدنا لصالح الأخلاق اللهم اهدنا لصالح الأخلاق واصرف عنا سيئها فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عنا سيئها إلا أنت آمن يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأحواق والأعمال ربنا تقبل منا أنك أنت الصميم وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جحنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرة ومقاما ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عي واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعذكم لعلكم تذكرون فذكر الله عظيم يذكركم واشكروا على نعمه يذكركم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون